กันที่เก้าอธิกรณะสมถะศัพท์นี้เป็นชื่อแห่งสิกขาบทหรือแห่งธรรมแปลว่าสำหรับระงัตอธิกรมีเจ็ดประการพึงรู้อธิกรก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทาเรียกว่าอธิกรท่านแจกประเภทเป็นสี่คือวิวาทะได้แก่การเถียงกันปรารพพระธรรมวินยัย เรียกว่าวิวาถาทิกอนนี้จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิดความโจทย์หากันด้วยอาบัตเรียกอนุวาธาทิกอนนี้จะต้องได้รับวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่จริงกิริยาที่ต้องอาบัตหรือถูกปรับอาบัตเรียกอาปัตาธิกอนนี้จะต้องทำคืนคือทำให้ผลโทษกิจทุราที่สงจะทาเช่น ให้อุปสมบทเรียกกิจจาที่ก่อนนี้จะต้องทำให้สำเร็จอันพระธรรมวินัยนั้นเดิมก็เป็นแต่จำทรงกันมาทั้งอย่างต้องการความอธิบายมาติกาคือพาษิทธิ์อันเป็นกระทู้เป็นฐานะอยู่ที่ภิกษุทั้งหลายจะปรารบพระธรรมวินยัยและมีความเห็นแผ่กันและเกิดเถียงกันขึ้น อย่าว่าแต่ในการไกลเลยในบัดนี้เองก็ยังมีปัญหาพรารบกฎหมายบ้านเมืองอันนะกกฎหมายเข้าใจต่างกันได้เหมือนกันนี้เป็นทางเกิดแห่งวิวาธาทิกร mm. เมื่อวิวาธาทิกรเกิดขึ้นแล้วควรได้รับความชี้ขาดของท่านผู้รู้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดเพื่อวางไว้เป็นแบบแผนไม่เช่นนั้นความเข้าใจแก่งแย้ง ก็จะมากขึ้นทุกทีจนไม่มีหลักว่ายางไรเป็นแน่มีตัวอย่างครั้งในอโศกราชการอันพระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองไปได้นานก็เพราะมีระเบียบควบคุมไว้ดังท่านเปรียบด้วยได้ยึดดอกไม้ที่ร้อยไว้ไม่ให้กระจัดกระจายฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องร่วมกันในแบบแผนอันเดียวอันหนึ่ง ประธรรมินัยจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะพวกภิกษุประพฤติตามโดยเอือ้อเฟื้อถ้ามีพวกอรชีไม่มีอายใจบาปลามกเข้ามาปนอยู่พวกนั้นย่อมทำให้เ่อ้หมองจึงเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ประพฤติดีเมื่อรู้เห็นแล้วจะพึงกล่าวตักเตือนส่วนตนหรือแม้โจทย์ขึ้นในท่ำกลางสงเพื่อแก้ความประพฤติเสีย หรือกำจัดคนอรชีเสียจากสงฆ์ข้อนี้ก็เป็นฐานะอยู่ว่าภิกษุผู้ลามกจะได้ช่องหาความให้ภิกษุอื่นเหมือนกันเช่นเมติยาภิกษุและปุ่มมะเจกับภิกษุได้แต่งนางเมติยาภิกษุณีให้ทูลฟ้องใส่ความท่านพระทัพพะมลบุท่อพระศาสดาฉะนั้น นี้เป็นทางเกิดแห่งอนุวาธาทิกรเมื่ออนุวาธาทิกรเกิดขึ้นแล้วควรได้รับวินิจฉัยของท่านผู้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงและทำตามธรรมไม่เช่นนั้นความรังเกียจจะพึ่งเป็นไปในสงเป็นเหตุแตกร้าวไม่ปรองดองเมื่อท่านผู้รู้ได้วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายควรฟังตามจะเอาตามความเห็นของตนไม่ได้ พระตนเนื่องในสัมมาคีไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอำนาจอื่นจะวินิจฉัยได้อันหนึ่งพระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะมีภิกษุปฏิบัติชอบดังกล่าวแล้วในหนหลังพระศาสดา จ, จึงทรงตั้งสิกขาบทเป็นเครื่องนำความประพฤติมีปรับอาบัตแต่ภิกษุผู้ละเมิดนี้เป็นทางเกิดแห่งอาปตาที่ก่อน อาปัตตาที่ก่อนที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องทำคืนตามวิธีอันสำเร็จด้วยสง์หรือด้วยบุคคลไม่ใช่นั้นศิกาบทก็ไม่สำเร็จประโยชน์มีไว้ก็เหมือนไม่มีทุกรูปจึงควรจะยอมทำคืนเมื่อต้องอาบัติเขาแล้วอันหนึ่งพระสัสดามีพระพุทธประสงค์จะทรงมอบการปกรครองคณะไว้แก่สงไม่ปล่อยให้บุคคลเป็นอิสระ จึงทรงพระอนุญาตให้สงเป็นผู้ทากิจนั้นๆอันเนื่องด้วยการปกครองคณะเป็นต้นว่ารับคนอุปสมบทดังกล่าวแล้วในเรื่องอุปสัมปทานี้เป็นทางเกิดแห่งกิจจาทิกรกิจจาทิกรอันเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำให้สาเร็จไม่เช่นนั้นการงานก็ไม่เป็นไปโดยสะดวกจะอยู่เฉยเฉยด้วยไม่ทำอะไร เป็นไม่ได้เพียงแต่ทาไม่ทันสมัยคณะยังเสื่อมทรามลงไปได้เหมือนกันภิกษุทุกรูปควรรู้สึกต่อหน้า น, นี้แล้วร่วมใจการทากิจสงให้สำเร็จเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงวางข้อสำหรับพระงับอธิกรณรทั้งสี่อย่างนั้นไว้เรียกว่าอธิกรณะสมถะมีเจ็ดประการคือ 1. สมมุ ข, ขวินยัย แลว่าระเบียบอันพึงทาในที่น้าพร้อมได้แก่กิริยาระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าสงในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมวินัยพร้อมหน้าสงคือภิกษุเข้าประชุมครบองค์กาหนดเป็นสงพร้อมหน้าบุคคล น, นั้นคือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมกัน พร้อมหน้าวัตถุนั้นได้แก่ยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นวินิจฉัยพร้อมหน้าทรรมวินัยนั้นได้แก่วินิจฉัยถูกโดยธรรมถูกโดยวินยัยข้อ 2. ส, สติวินัยแปลว่าระเบียบยกเอาสติขึ้นเป็นหลักได้แก่กิริยาที่สงสวดประกาศให้สมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่ เพื่อระงับอนุวาทาทิกรที่มีผู้โจทท่านด้วยศีลวิบัติข้อ 3. ามอมุลหวินัยแปลว่าระเบียบที่ให้แก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วได้แก่กิริยาที่สงส่วนประกาศให้สมมติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อระงับอนุวาทาทิกรที่มีผู้โจทเธอด้วยความละเมิดที่เธอทำในเวลาเป็นบ้า ถ้าชื่อนี้ไม่มีอะกนำคงแต่ว่ามุนขาวิินัยแปลว่าระเบียบที่อย่างว่าเป็นบ้าจะสมเหตุสมผลข้อ4ปฏิญญาตกรณะแปลว่าทำตามรับได้แก่ปรับอาบัตตามปฏิญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์การแสดงอาบัตก็จัดว่าทำปฏิญญากานนับเข้าในข้อนี้ด้วย ข้อ5เยปุยสิกาแปลว่าตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณวิธีนี้สำหรับใช้ในเมื่อความเห็นของคนทั้งหลายเป็นนันมากแตกต่างกันให้ฟังเอาข้างมากข้อ6ตัดส ป, ปาปิยสิกาแปลว่ากิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดในสมถะขันธกะ คำพีจุลวั์ท่านแสดงไว้เป็นวิธีเพิ่มโทษแก่ภิกษุผู้ประพฤติผิดอีกโสดนึงจากความผิดเดิมเช่นเดียวกับคนทำความผิดหลายครั้งต้องรับโทษเพิ่มตามกฎหมายของบ้านเมืองแต่วิธีนี้ควรจะจัดไว้ในการมาขันธกะข้าพเจ้าเข้าใจว่าได้แก่กิริยาที่ตัดสินลงโทษแก่ผู้ผิด แม้ไม่รับเป็นสัตว์แต่พิจารณาสมจริงดังกล่าวไว้ในอนยศสิขาบทนั้นข้อ7ตีนวัดถาร ะ, ะวินยัยแปลว่าระเบียบดังกลบไว้ด้วยยาได้แก่กิริยาที่ให้ประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระสางหาความเดิมวิธีนี้สำหรับใช้ในเรื่องที่ยุง่งยาก และเป็นเรื่องสำคัญอันจะเป็นเครื่องกระเถื่อนทั่วไปเช่นเรื่องภิกษุชาเมืองโกสัมพีแต่กันเป็นตัวอย่างสมุขข่าววินยัยเป็นเครื่องระ ง, งับอธิกรณ์ได้ทุกอย่างสติวินยัยอมุลหาวินยัยตัดสะปาปิยสิกา3นี้เป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะอนุวาถาธิกรณ์ ปติญญาตาการะณะตีนวัฏฐากะท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะอาปัตตาทิกรแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าใช้เป็นเครื่องระ ง, งับอนุวาทาทิกรด้วยก็ได้เยูุ่เยศิกาใช้เป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะวิว า, าทิกรสิขาบทที่แสดงมานี้มีจานวน227มีพระพุทธอนุญาต ให้สวดในที่ชุมนุมสงฆ์ในวันอุโบสถทุกึ่งเดือนรวมเข้าทั้งนั้นเรียกว่าพระปฏิโมถ้าเพ่งบางประการเรียกว่าสิกขาบทมาในพระปฏิโมควรถือเป็นหลักพระวินัยหากจะติดขัดเพราะกาลเทศะอย่างไรก็ยังควรถืออยู่โดยบรรยายไม่ควรเลิกเสียทีเดียวไม่เช่นนั้นจกไม่มีอะไรเป็นหลัก หมูตั้งอยู่ด้วยไม่มีหลักย่อมไม่มั่นคงยั่งยืนข้าพเจ้าจึงขอแนะนำไว้อย่างนี้